ธรรมบทแปลเรื่องภิกษุรูปหนึ่งภาคที่แปดเรื่องที่สองรยแปดสิบห้าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นพระเชตวันทรงปรารพภิกษุรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าการละวางกินิทายะเป็นต้นตอน ภิกษุเดินทางร่วมกับหญิงแม้ไม่รู้ก็มีโทษได้ยินว่าภิกษุนั้นเรียนกรรมฐานกับพระศาสดาแล้วภาคเพียรอยู่ในป่าบรรลุพระรหันแล้วจึงมีความคิดว่าเราจะกราบทูลคุณที่ตนได้บรรลุแก่พระศาสดาจึงได้ออกจากป่านั้นแล้วกระนั้นหญิงคนหนึ่ง ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทะเลาะกับสามีเมื่อสามีนั้นออกไปนอกบ้านนางมีความคิดว่าเราจะกลับไปบ้านเกิดนั่นนี้แล้วจึงเดินทางไปพบภิกษุนั้นในระหว่างทางจึงคิดว่าเราจะอาศัยพระเถระนี้ไปจึงเดินตามไปห่างๆแต่พระเถระไม่เห็นนาง รนันสามีของนางกลับมาบ้านไม่เห็นนางจึงคิดว่านางคงกลับไปบ้านเกิดจึงได้ตามไปเห็นนางนั้นแล้วคิดว่าหญิงคนเดียวคงไม่กล้าเดินข้ามดงนี้ไปมันอาศัยใครไปนางนี้แล้วตรวจดูก็ได้เห็นพระเถระสามีของนางจึงคิดว่าพระเถระนี้คงพาหญิงนี้ไป ดังนี้แล้วจึงขู่พระเทเรคราวนั้นหญิงนั้นจึงบอกกับสามีว่าพระคุณเจ้าท่านรูปนั้นไม่เห็นไม่ได้พูดกับฉันเลยคุณอย่าไปว่าอะไรท่านเลยตอนพระเถระถูกสามีของหญิงนั้นตีแต่ไม่โกรธสามีนั้นโกรธขึ้นมาว่าเจ้าไม่บอกผู้พาเจ้าหนีไปแก่ฉันหรือ ฉันจะทำสิ่งที่ควรทำกับภิกษุนั้นแทนทำกับเจ้าโดยความแค้นในหญิงภรรยาเขาจึงตีรร พ, ระะพระเทระาแล้วพาภรรยากลับไปพระเทระาได้เกิดอาการบวมขึ้นทั่วตัวเมื่อมาถึงวิหารภิกษุทั้งหลายกาลังนวดตัวท่านเห็นรอยบวมจึงถามว่านี่อะไรกันพระเทระา จึงเล่าเรื่องให้ภิกษุเหล่านั้นฟังลําดับนั้นพวกภิกษุถามดันบ่าท่านผู้มีอายุก็เมื่อชายคนนั้นตีเช่นนั้นท่านพูดอย่างไรบ้างหรือท่านมีความโกรธไหมพระเถระจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่มีความโกรธเลยภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาแล้วราบทูลเรื่องนั้นให้สงสาบ เรได้กราบตูนต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามว่าท่านมีความโกรธไหมก็กล่าวว่าผมไม่มีความโกรธเลยภิกษุนี้กล่าวคำไม่จริงพยากรณ์ราตะผลตอนพระกีนาศพแม้ถูกตีก็ไม่โกรธพระศาสดาทรงสดับถ้อยคาของภิกษุเหล่านั้นแล้ว จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขีนาศพทั้งหลายวางอาทยาแล้วพระขีนาศพเหล่านั้นถึงถูกคนทำร้ายก็ไม่โกรธเลยและได้ตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดวางอาทาในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเป็นสัตว์อย่างสะดุง้งหรือเป็นสัตว์มั่นคง ไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามบาลีว่านิทายะทันทังผู้เตสุตะเสสุทาวเรสุจะโยนะหันตินะกาเตติตะมะหังปรูมิปรามะนังกุณยดาคำเหล่านั้นคำว่า นิทายะแปลว่าละวางได้แก่วางแล้วคือปล่งลงแล้วกําว่าตะเสสุทาวาเรสุจะแปลว่าเป็นสัตยังสะดุง้งและเป็นสัตมั่นคงหมายความว่าผู้ชื่อว่าสะดุง้งเพราะความสะดุ้งคือตนาและผู้ชื่อว่ามั่นคง เพราะความเป็นผู้มั่นคงโดยไม่มีตนาควาว่าโยนะหันติแปลว่าผู้ใดไม่ฆ่าเองเป็นต้นหมายความว่าผู้ใดชื่อว่าวางอาจยาแล้วเพราะปราศจากความแกนเกืองในสัตว์ต้องปวงอย่างนี้ย่อมไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าซึ่งสัตว์ใดๆ เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามกในเวลาจบเทสนาคนเป็นจำนวนมากได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องภิกษุรูปหนึ่ง